เกิดมาเป็นแบบนี้ได้อย่างไรหัวข้อสติปัญญามากถ้าสวยหล่อแล้วหลอกง่ายถ้าขยันจนร่ำรวยและใช้เงินแบบโง่โง่จนหมดตัวชีวิตก็ไม่ต้องได้มีความสุขกันฉะนั้นปัญญาจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญของชีวิตดีๆปัญหาคือทุกวันนี้บรรดาผู้เชี่ยวชาญยังคงงงงวยกันไม่เลิกว่า สติปัญญามาจากไหนกันแน่จะว่าเป็นเชื้อที่ถ่ายทอดมาจากพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายก็คงพูดไม่ได้เต็มปากเต็มคำเพราะบางคนฉลาดระดับอัจฉริยะในขณะที่พ่อแม่มีสติปัญญาปานกลางหรือค่อนข้างต่าตรงข้ามบางคนพ่อแม่เป็นถึงอาจารย์มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยดีเด่นแต่ลูกกลับหัวช้า สอบเข้าเรียนที่ไหนก็ไม่ติดเป็นตน้นพุทธพ์ให้ปฏิพานย่อมได้ปฏิพานข้อความจากโภชนะทานสูตรการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทานทั้งปวงข้อความจากคาถาพระธรรมบทปัญญามีศีลเป็นเครื่องชำระให้บริสุทธิ์และในทางกลับกัน ศีลก็มีปัญญาเป็นเครื่องชำระให้บริสุทธิ์ด้วยศีลมีในบุคคลใดปัญญาก็มีในบุคคลนั้นปัญญามีในบุคคลใดศีลก็มีในบุคคลนั้นปัญญาเป็นของบุคคลผู้มีศีลศีลเป็นของบุคคลผู้มีปัญญาและนักปรายย่อมกล่าวว่าศีลกับปัญญาเป็นยอดในโลก เหมือนบุคคลล้างมือด้วยมือหรือล้างเท้าด้วยเท้าฉะนั้นข้อความจากโศนทันทะสูตรคนในโลกนี้จะเป็นชายหรือหญิงก็ตามถ้าเข้าหาสมณะหรือพรามแล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรเมื่อทำแล้วเปล่าประโยชน์ ทำแล้วให้ผลเป็นทุกข์ตลอดไปอะไรทำแล้วเกิดประโยชน์ทำแล้วให้ผลเป็นสุขตลอดไปเมื่อเขาได้คำตอบแล้วรับเอาข้อปฏิบัติจนชั่วชีวิตเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกในภายหลังเขาจะเป็นคนมีปัญญามากข้อความจากจุลกรร ม, มวิพังคสูตรมีธรรมะอยู่ข้อหนึ่งที่ใครก็ตามทาให้เจริญขึ้นในตนเป็นอันมากแล้ว ยอมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาปัญญาเจริญปัญญาภัยบู์ปัญญาใหญ่ปัญญามากปัญญาลึกซึ้งปัญญาแก่กล้าปัญญากว้างขวางปัญญาว่องไวปัญญาเร็วปัญญาร่าเริงปัญญาแล่นปัญญาคมปัญญาชัระกิเลสธรรมะข้อนั้นคืออะไรคือกายคตาสติ คือการเอากายนี้เป็นที่ตั้งของการเจริญสติข้อความจากปรสสาธากะระธรรมมาธิบาลีมุมมองอันควรได้จากพุทธพจน์คุณจะเห็นว่าความฉลาดคืออะไรก็ต่อเมื่อเจอใครสักคนที่แสดงความฉลาดอย่างน่าทึ่งออกมาให้เห็นเช่นเมื่อคนทั้งห้องแก้ปัญหาโจทย์เลขที่ยุ่งยากซับซ้อนไม่ได้ และมีใครคนหนึ่งยืนขึ้นและบอกว่าแก้ได้แต่บุคคลอันเป็นสัญลักษณ์ของความฉลาดเช่นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ผู้เขย่าโลกด้วยทฤษฎีอันเป็นต้นกำเนิดระเบิดปรามนูบอกเราว่าความฉลาดไม่ใช่แค่แก้ปัญหาเก่งแต่ยังต้องเป็นสุดยอดนักตั้งคำถามถามแล้วเกิดมุมมองใหม่หรือถามแล้วจุดชนวนให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น อยากศึกษาเข้าไปให้ถึงแก่นความจริงบุคคลอันเป็นสัญลักษณ์ของการเรียนรู้เร็วเช่นวิลเลียมเจมส์ไซดิสซึ่งทำความรู้จักภาษาละตินด้วยตนเองเมื่ออายุสองขวบและโตขึ้นเป็นคนที่ใช้เวลาเรียนรู้ภาษาหนึ่งหนึ่งได้เพียงภายในวันเดียวกับทั้งสามารถแปลความจากภาษาหนึ่ง ไปสู่ภาษาอื่นใดก็ได้แบบฉับพลันทันทีชีวิตของเขาแสดงให้เราเห็นว่าถ้าใครสักคนจะรู้ทุกภาษาในโลกก็ต้องมีไฟฝฟรู้ตั้งแต่ขวบเดี่ยวด้วยตนเองไม่ใช่รอให้ถูกกระตุ้นโดยพ่อแม่หรือสิ่งแวดล้อมและถ้าฉลาดขนาดพูดได้ทุกภาษาก็ย่อมทะลุขีดจำกัดความฉลาดได้หมด ดังเช่นที่ไซดิสหลักแหลมขนาดพยายามศึกษาทฤษฎีของไอสตา์เพื่อจับผิดตั้งแต่อายุแค่1ิบขวบว่ากันว่า i อของไอสตา์อยู่ในช่วงประมาณ 160-180 สถึง่ส่วนของไซดิสจะเป็น 250-300 ถึงในขณะที่โลกนี้มีเพียงหนึ่งในร0 0ที่ไอสูงกว่า135นอกนั้นอยู่ในช่วงประมาณ 85ถึง115กันเกือบหมดหลักการวัดไอมักเน้นเรื่องปฏิพานและการใช้จินตนาการแก้ปัญหาหน้างง ง, งวยอย่างไรก็ตามยังมีหลักวิธีวัดไอบางชนิดที่ถือเอาความปราดเปรื่องในการสร้างผลงานมาเป็นเกณฑ์เช่นหากมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ก่อนอายุ17ก็ถือว่าเป็นอัจฉริยะ รับประกันความมีไอคสูงกว่าคนปกติเพราะคนปกติจะไม่มีผลงานเป็นที่ยอมรับก่อนอายุ17เป็นต้นผลงานของคนฉลาดก็อาจจุดประกายให้ฉุก ค, คิดว่าคนเราควรมีความฉลาดสูงสุดเอาไว้ทําอะไรกันแน่เพื่อให้รู้ว่าเป็นอัจฉริยะเหนือคนอื่นก่อนอายุ17 หรือเพื่อให้รู้ว่ามนุษย์อาจเก่งได้ไม่จำกัดเช่นที่ไซดิสสําเดงความสามารถเอาไว้หรือเพื่อเปิดโปงความลับอันยิ่งใหญ่ของจักรวาลด้วยคณิตศาสตร์เช่นที่ไอสไตน์เพียรพยายามสุดฤทธิ์ยิ่งศึกษาชีวิตของอัจฉริยะในประวัติศาสตร์มากขึ้นเท่าไหร่คุณจะยิ่งเห็นความจริงว่าชีวิตของอัจฉริยะแต่ละคนถูกออกแบบมา เพื่อสนองวัตถุประสงค์บางอย่างบางทีก็เป็นประโยชน์กับโลกบางทีก็ไปมีส่วนในการทำลายโลกและบางทีก็เพียงเพื่อให้โลกรู้ว่าคนเราอาจเก่งกาจได้ขนาดไหนเจ้าชายสิทธัตถะก็รอบรู้และแตกฉานาาษษสารพัดศาสตร์ตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์แม้ปฐมฌม า, านอันเป็นสมาธิที่เข้าถึงได้ยากแสนยาก พระองค์ก็ฝึกสำเร็จเองตั้งแต่พระชนสาเพิ่งเจ็ดปีที่สําคัญพระองค์เห็นชีวิตด้วยมุมมองที่แตกต่างจากคนอื่นสามารถตั้งคำถามที่สําคัญที่สุดในโลกได้เองแถมตอบคำถามได้เองอีกและเหนือสิ่งอื่นใดคือสามารถประกาศคำตอบสําคัญสูงสุดนั้นออกไปทั่วโลกจึงทำให้พระองค์ถูกจดจาไว้ว่าเป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งแปลว่าผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองและสามารถประกาศความรู้ด้วยการสถาปนาพุทธศาสนาขึ้นในโลกชาวพุทธที่เข้าถึงปัญญาแบบพุทธจะรู้ว่าความฉลาดสูงสุดไม่ใช่เลขไอคิสูงสุดแต่เป็นการรู้จากโจทย์สำคัญสูงสุดและได้คำตอบเป็นประโยชน์สูงสุดตามรอยบาทพระศาสดา กรรมในการให้ทานการให้ทานจะทำให้เราหายโง่ในขั้นพื้นฐานนั่นเพราะอะไรเพราะปกติคนทั่วไปจะหลงเชื่อกิเลสนึกว่าหวงไว้เอาเข้าตัวท่าเดียวนับว่าได้เปรียบได้เป็นสุขความจริงก็คือยิ่งเอาเข้าตัวเท่าไรยิ่งอึดอัดคัดแน่นในอกขึ้นเท่านั้นแต่ทั้งที่กระวนกระวายไม่เป็นสุขอยู่เห็น คนเรายังกลับเข้าข้างกิเลสหลงเชื่อมันอยู่ปีแล้วปีเล่าเมื่อฝึกให้คุณจะพบจากประสบการณ์จริงว่าทานทำให้ฉลาดขึ้นแบ่งตามชนิดได้คือหนึ่งทรัพยทานเมื่อรู้จักแบ่งปันทรัพย์ส่วนเกินกระทังให้ได้ไม่เสียดายให้ได้ทุกครั้งที่มีโอกาสคุณจะเกิดความฉลาดทางจิต เห็นว่าอะไรที่พรุงพรังอะไรที่ไม่จำเป็นต้องแบกจะทิ้งเสียก็ได้หากปราศจากความฉลาดทางจิตแบบนี้แล้วคุณจะพร้อมหวงไปทุกอย่างอยากได้ไปทุกสิ่งจนไม่มีที่ว่างให้สติปัญญาเกิดขึ้นเลยความโง่ทำให้เราเสียไม่เป็นถ้าของหายหรือเสียของไปใจจะทิ้งไม่ลงทั้งที่รู้แก่ใจว่า อย่างไรก็ไม่ได้คืนทางเดียวที่คุณจะรับมือกับเงินหาย500บาทคือต้องเคยทำบุญ500บาทมาก่อนความฉลาดระดับ500จึงจะเกิดขึ้นและปล่อยวางเงินที่หายไป500เสียได้ 2. ออภัยทาน เมื่อรู้จักอภัยในความผิดพลาดของคนอื่นกระทั่งเป็นคนโกรธได้แต่หายเร็วคุณจะเกิดความฉลาดทางจิตเห็นความเย็นดีกว่าความร้อนเห็นการนอนหลับสนิทหรือฝันดีประเสริฐกว่าการนอนดิ้นไปกับฝันร้ายหากประาศจากความฉลาดทางจิตแบบนี้แล้วคุณจะมัวคิดถึงแต่คำว่าตาต่อตาฟันต่อฝัน ค่าได้อย่ามไม่ได้ฝ่ายคุณเอาเปรียบได้แต่ไม่มีทางเสียเปรียบใครใจก็ผูกเวรอยู่ได้แม้ด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆตามถนนหนทางหลายต่อหลายคนบาดเจ็บพิการหรือกระทั่งล้มตายเพียงเพราะฉลาดไม่พอจะระงับอารมณ์โง่ชั่ววูบเท่านั้น 3. ธรรมทาน เมื่อรู้จักช่วยส่งเสริมให้ใครต่อใครได้คิดได้เอาตัวออกจากความโง่ประการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของความตรนีและในแง่ของความพยาบาทคุณเองย่อมฉลาดขึ้นไปอีกแต่หากคุณคิดอยากใหญ่สั่งสอนคนอื่นด้วยอาการยกตนข่มท่านจจรไนเรื่องทานราวกับผู้มีทานบารมีทั้งที่ยังตระหนีเงินทอง หรือยังผูกพยาบาทอาฆาตเก่งอย่างนี้นอกจากไม่ทําให้ฉลาดขึ้นยังกดตัวเองให้โง่หนักเข้าไปอีกค่าที่รู้แล้วไม่ทําน้าซ้ายังจะหลอกคนอื่นให้เข้าใจว่าตัวเองสูงส่งอีกเมื่อให้ธรรมทานเป็นกระทั่งมีแก่ใจอยากให้ธรรมทานมากๆคุณจะฉลาดทางความคิดและทางจิตไปพร้อมๆกัน เพราะการพูดโน้มน้าวให้คนอื่นได้ดีตามคุณนั้นต้องฝึกกลั่นคำพูดออกมาจากใจที่เป็นกุศลจนเกิดศิลปะในการเลือกคำผูกคำด้วยศิลปะแห่งการตัดตรงเข้าสู่ตัวปัญหาทางใจตรงไหนเป็นปมทุกตรงไหนเป็นวิธีแก้ปมทุกการเห็นวิธีแก้ทุกขให้คนอื่นแต่กลับไม่เห็นวิธีแก้ทุกให้ตนเอง เป็นหลักฐานอย่างหนึง่งที่จะแสดงให้คุณเองรู้และฉลาดขึ้นได้ว่าธรรมะที่ให้คนอื่นเป็นทานนั้นใช่ของที่มีในตนจริงหรือสักแต่เป็นลักขโมยคำของผู้มีธรรมะจริงมาพูดกันแน่พระพุทธเจ้าตรัสว่าให้อะไรได้อย่างนั้นไม่ใช่ให้จานได้จานคืนให้ตเย็นเขา แล้วเราจะได้ตู้เย็นใหม่จากคนอื่นแต่เป็นภาวะที่เสมอกันเช่นให้สุกย่อมได้สุกให้ความฉลาดย่อมได้ความฉลาดให้ธรรมะย่อมเพิ่มผูนธรรมะแต่ถ้าให้แต่ลมปากก็จะได้แค่ลมแรงกลับคืนมานั่นเองชาวพุทธส่วนใหญ่เข้าใจว่าธรรมทานคือการแจกหนังสือหรือสื่อธรรมะทั้งหลาย ความจริงก็คือถ้าคุณแจกมั่วผลดีผลร้ายก็กลับมามั่วเช่นกันทางที่ปลอดภัยคือต้องอ่านหรือฟังเองจนรู้ชัดว่าเป็นธรรมะดีธรรมะที่ไม่พาหลงทางธรรมะที่ก่อให้เกิดศรัทธาในพระพุทธเจ้าธรรมะที่ก่อให้เกิดความเชื่อในผลแห่งกรรมว่ามีจริง ธรรมะที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจให้เพียรเพื่อพ้นทุกข์และจึงค่อยแจกจธรรมะนั้นใจถึงจะอิ่มเอิบเบิกบานกว้างขวางจริงๆกรรมในการรักษาศีลบางคนรู้สึกอยู่ลึกๆว่าตัวเองก็ฉลาดไม่แพ้ใครอื่น แต่น่าเจ็บใจที่มีข้อติดขัดบางประการหลายครั้งเมื่อจะต้องตัดสินใจครั้งสำคัญดันไม่มีสมาธิจูจ่ๆก็หนักหัวขึ้นมาเฉยๆหรือช่วงต้นวัยพอใกล้สอบไม่อยากอ่านหนังสือถึงเวลาสอบจริงยิ่งรู้สึกเหมือนคนไม่มีแรงว่ายน้ำไปให้ถึงฝั่งเรากับมีอะไรมาดึงแขนดึงขาไว้เหล่านั้นเป็นตัวอย่างของ คลื่นรบกวนความฉลาดซึ่งมีอยู่หลายแบบอาจจะเป็นการสั่งสมนิสัยท่อธุระผัดวันประกันพรุ่งจนเคยตัวหรือไม่ก็เป็นผลของบาปเก่าๆที่ตามมาเล่นงานแกล้งบทบังไม่ให้ทำการอันเป็นไปเพื่อความก้าวหน้าได้ถนัดนักแจกแจงได้เป็นข้อๆดังนี้ 1. เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไว้มาก โดยเฉพาะพวกขุนศึกเก่งๆที่ฆ่าศัตรูได้ง่ายราวกับผักปลาหรือผู้มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการสังหารทั้งหลายวิบากคือทำให้รู้สึกหนักหัวมึนตลอดบางทีคล้ายใครเอาหมอนมาโปะไว้บนกระหม่อมอุดทางเข้าออกของปัญญายิ่งถ้าเคยคิดประทุษร้ายแบบแกล้งให้ใครสมองบอบชำ้ำก็อาจต้องรับผลคือเป็นคนหัวช้า เลื่อนลอยจำอะไรไม่ค่อยได้หรือถึงขั้นปัญญาอ่อนมาแต่กำเนิดเลยทีเดียวเป็นไปตามโทสานุโทธอันสมกันกับเหตุที่เคยก่อไว้ 2. เคยลักทรัพย์ทางปัญญาไว้มากตัวอย่างที่จัดแจ้งสุดได้แก่พวกเผาโรงเรียนหรือยักยอกหนังสือที่เขาบริจาคเพื่อให้เด็กยากไร้มีโอกาสเรียนกันวิบากคือ ทำให้ขาดสถานที่ศึกษาขาดเครื่องมือหรืออยู่ในถิ่นไกลปืนเที่ยงจะจนไม่อาจหวังเอาวิชาความรู้ได้จากไหนหรือถ้ามีโอกาสเรียนก็เจอความมืดทางปัญญาชนิดเรียนอย่างไรก็ไม่รู้พยายามดูอย่างไรก็ไม่เห็นราวกับผีเอากําแพงมาบางกระดานดำหน้าชั้นเรียนจำอะไรที่เป็นประโยชน์ไม่ได้จำได้แต่ที่เป็นโทษ ที่ทำให้มองโลกในแง่ร้าย 3. เคยลักลอบเป็นชู้ไว้มากคือมากจนหน้ามืดตามัวหมกมุนและเมากามอย่างหนักวิบากคือทำให้อ่อนแอไม่อยากเรียนไม่อยากคิดมากเพราะจิตใจบิดเบี้ยวคอยจะมองอะไรในทางลามกคนเราพอจิตใจบิดเบี้ยว คอยแต่คิดออกนอกลู่นอกทางไปหาเรื่องต่ำตำเหม็นเหม็นก็มีผลปัญญาทึบหมกมุ่นคับแคบคิดอะไรไม่ออกไม่อยากเอาใจไปทางอื่นมากกว่าเรื่องใต้สะดือเป็นธรรมดา 4. เคยพูดร้ายไว้มากทั้งในแง่ของการโกหกการยุยงให้แตกกันการพูดหยาบคายทิ่มต่ำใจ และการพูดเพ้อเจอ้อตามอารมณ์ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยวิบากคือทำให้มองไม่เห็นตามจริงรับรู้อยู่ในปัจจุบันให้ตรงจริงได้ยากส่วนใหญ่พอได้ความรู้อะไรนิดหนึ่งก็อาจทะเล้นคิดแบบไร้สาระไม่ยอมรับสาระเห็นจริงเป็นเท็จเห็นเท็จเป็นจริงตามอำเภอใจเอาง่ายๆต้องออกแรงอย่างมาก กว่าจะรับรู้ตรงจริงกับคนอื่นได้สักครั้ง 5. เคยเมาเล่าขาดสติไว้มากนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นขี้เมาในชาติที่ก่อกรรมข้อนี้แล้ววิบากในชาติถัดมาก็ยังเมาคลื่นรบ ก, กวนความฉลาดได้อีกคือจะเป็นผู้ฟุ้งซ่านจัดห้ามยากหยุดยากเรียกว่าบางทียิ่งเรียนเหมือนยิ่งใกลบ้า ทั้งเบื่อทั้งหงุดหงิดทั้งล่องลอยเลื่อนเปืือนเรื่องของวิบากจากการผิดศีลที่มีผลต่อสติปัญญานั้นค่อนข้างเป็นเรื่องเชื่อได้ง่ายเพราะชาตินี้ตอนคุณฆ่าสัตว์อยักยอกทรัพย์เป็นชู้โกหกกินเหล้าจะรู้สึกหนักๆทึบๆขึ้นมาในหัวเหมือนมีม่านหนักๆโรยลงมาบดบางปัญญา สิ่งสั่งสมมากยิ่งชัดมากและนั่นก็คือตัวอย่างว่าจะต้องเจอแบบนั้นหรือหนักกว่านั้นกับทั้งยืดเยื้อกว่านั้นในชาติต่อไปตรงข้ามหากตั้งใจเด็ดเดี่ยวแนว่วแน่ว่าจะถือศีลให้สะอาดแถมทําในเรื่องตรงข้ามเช่นนอกจากงดเว้นการฆ่าสัตว์ยังปล่อยชีวิตสัตว์ใหญ่ที่กาลังจะถูกฆ่า พอทำเรื่อยๆเป็นเดือนเป็นปีคุณจะรู้สึกปลอดโปร่งโล่งเบาถ้าตอนต้องใช้ความคิดเคยหนักๆทึบๆแบบไม่มีเหตุผลทุกอย่างก็จะบรรเทา เ, าเบาบางลงอย่างเห็นได้ชัดกรรมด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โทษสถานเบาที่สุดสำหรับคนปฏิเสธการหาความจริงเรื่องบุญบาปคือมีสิทธิ์เดินบนเส้นทางอันมืดทึบของคนโง่นั่นเพราะอะไรเพราะบุญเป็นสิ่งปรุงแต่งจิตให้สว่างโปร่งโล่งสดใสพร้อมจะคิดอ่านได้อย่างฉลาดเฉลียวพอปฏิเสธเรื่องบุญบาปก็พร้อมจะคิดฟุ้งซ่านไปตามอำเภอใจ และแตัดสินใจทำชั่วประการต่างๆได้โดยไม่ต้องยับยัง้งตรงกันข้ามกับคนที่เข้าหาผู้รู้จริงเช่นพยายามศึกษาว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไรกรรมใดทําแล้วเรียกว่าเป็นบุญกุศลกรรมใดทําแล้วเรียกว่าเป็นบาปอากุศลและตั้งใจถือเอาเฉพาะกรรมดีละเว้นกรรมชั่วให้เด็ดขาด อย่างนี้จึงควรแก่การได้ชื่อว่าอยู่บนเส้นทางของคนฉลาดเพราะบุญนี้คือจุดเริ่มต้นของการรู้จักตั้งคําถามเป็นตั้งคําถามได้เข้าจุดตั้งคําถามได้ถึงประโยชน์อันควรไม่น่าประหลาดใจหากเกิดชาติหน้าเป็นคนมีปัญญามากความอยากรู้อยากเห็นหรือความพยายามถามหาคาตอบเกี่ยวกับบุญบาป มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสามารถในการตั้งคำถามกล่าวคือคุณจะมีวิธีคิดแบบเลือกเฟ้นจับประเด็นแม่นและเข้าหาเป้าหมายด้วยทางลัดหรือเล็งเห็นประโยชน์สูงสุดได้เร็วกว่าคนอื่นๆเมื่อใจอยู่ในอาการเฟ้นหาคำถามที่ดีที่สุดเกิดใหม่ก็ย่อมได้คุณลักษณะประการสำคัญของเด็กฉลาดนั่นคือช่างสงสยัยช่างไถ่ถาม ใจไม่แคบไม่ปิดกัน้นและกลายเป็นคนชอบคิดค้นชอบคำตอบใหม่ๆด้วยตนเองจนกว่าจะรู้สึกว่าใช่ที่สุดน่าพอใจที่สุดตรงประเด็นปัญหาทั้งต้นเหตุและทางออกที่ดีที่สุดหลายคนสงสัยว่ากรรมที่ทาให้เป็นอริยะตั้งแต่เด็กคืออะไรกรรมใดเป็นเหตุให้เกิดพรสวรรค์ระดับโลก คำตอบคือนอกจากเป็นผู้ทากรรมอันควรแก่การมีปัญญาสูงส่งแล้วยังต้องเป็นผู้เคยทาบุญให้กับวงการใดวงการหนึ่งไว้มากด้วยจึงเหนี่ยวนําให้เด็กเกิดความสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างยิ่งยวดและเป็นเหตุให้ภาคเพียรแบบทุ่มสุดตัวกับการเอาดีในเรื่องนั้นๆคอยกตัวอย่างอัจฉริยะทางดนตรี ที่ผู้คนยังจดจำและกล่าวขวัญถึงอยู่เสมอแม้ว่าตัวเขาจะล่วงลับจากโลกนี้ไปกว่าสองศตวรรษแล้วก็ตามคือวอล์ฟกังอมาเดอุสโมสาทกรรมเก่าที่เคยมีคุณูปการต่อแวดวงการดนตรีได้ส่งเขามาเกิดในบ้านที่จะได้รับแรงบันดาลใจอย่างสูงทั้งเห็นพ่อเล่นฮาร์ปซิคอร์ดทั้งเห็นพี่สาวเล่นคลาเวียได้เก่ง และทั้งมีความสามารถจดจำเสียงดนตรีได้แม่นยำเรียนรู้ได้เร็วเกินวัยองค์ประกอบทั้งหมดนี้รวมเรียกว่าพรสวรรค์ส่วนพรสวรรคเกิดขึ้นเมื่อเขาสมัครใจทุ่มเทเวลามาฝึกหัดจริงจังด้วยความวิริยะอุตสาหะผิดมนุษย์ ในที่สุดเขามีความสามารถเล่นดนตรีได้ตั้งแต่สี่ขวบประพันธ์เพลงได้ตอนห้าขวบและเล่นไวโอลินให้สมาชิกวงดนตรีประจำสำนักของอาร์บิชอปตะลึงฟังตาค้างได้ขณะที่อายุเพิ่งหกขวบเท่านั้นโมซา์มีขณูปการต่อโลกดนตรีเพียงใดทุกคนเห็นชัดเขาสร้างดนตรีที่โลกไม่ลืมและนักประวัติศาสตร์ทางดนตรีหลายคนก็เชื่อว่า โมซาดเป็นคนสอนวิธีประพันธ์ดนตรีให้กับเบโธเฟนผู้เป็นขีตากวีชื่อก้องโลกอีกคนหนึ่งนับว่าครบองค์คือทุ่มเทให้วงการดนตรีด้วยและบอกสอนให้คนรุ่นหลังเป็นวิทยาทานด้วยอันที่จริงการไล่ล่าคว้าคำตอบว่าเหตุใดเด็กจึงเป็นอัจฉริยะนั้นมีมานานนักจิตวิทยาคนหนึ่ง เอาตนเองและชีวิตลูกสาวสามคนเป็นเดิมพันการทดลองกล่าวคือเขาประกาศตั้งแต่ก่อนลูกสาวคนแรกเกิดว่าเขาจะมีลูกกี่คนก็ตามทุกคนต้องยิ่งใหญ่ในโลกหมารุ ก, ลกแล้วเขาก็ทำได้จริงๆเริ่มจากการให้ลูกเรียนหนังสือที่บ้านกระตุ้นให้เกิดความสนใจในเกมหมารุกผลก ค, คือลูกสาวทั้งสามคนเล่นมารุกระดับโลกกันหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งจูดิตโพกาผู้เป็นน้องคนสุดท้องนั้นเล่นได้ถึงระดับแกรนมาสเตอร์ตั้งแต่อายุเพียง15ปีกับหเดือนทำลายสถิติโลกเดิมที่ผู้ชายทำไว้ก่อนหน้าลงอย่างราบคาบคุณพ่อของเด็กเป็นนักจิตวิทยาที่ไม่ได้ฉลาดระดับอัจฉริยะพันรายาเขาก็เช่นกันเขาจึงสรุปว่าอัจฉริยะถูกสร้างขึ้นได้ด้วยความจงใจ ไม่ใช่ด้วยพันธุกกรรมหรือความบังเอิญแต่ข้อเท็จจริงทางกรรมวิบากก็คือทันทีที่คุณพ่อตั้งใจว่าจะสร้างสภาพแวดล้อมขึ้นมากระตุ้นความสนใจของลูกเขาก็ทำตัวเป็นแดนเกิดอันเหมาะสมสำหรับเด็กที่มีบุญเก่าทางหมักลุกแล้วที่ควรกล่าวเช่นนี้ ต้องย้อนกลับไปที่ความจริงอันเป็นปฐมนั่นคือมนุษย์ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญมนุษย์ไม่ใช่เพียงน้ําเชื้อจากพ่อแม่ผสมกันแต่ต้องมีจิตวิญญาณมาเข้าท้องด้วยดังนั้นจุดสรุปจึงเป็นว่าต้องมีทั้งบุญเก่าเป็นพรสวรรค์และได้แดนเกิดอันเอื้อให้สร้างพรแสวงอัจฉริยะจึงปรากฏ ถ้าใครอยากฉลาดขึ้นผิดหูผิดตาภายในชาติเดียวพระพุทธเจ้าก็ส่งให้คำตอบไว้นั่นคือต้องทำให้สติเจริญขึ้นโดยอาศัยกายเป็นที่ตั้งของสติทำไมจึงเป็นเช่นนั้นมาดูข้อเท็จจริงขั้นพื้นฐานกันก่อนคุณสมบัติอันเป็นเครื่องหมายหนึ่งของคนฉลาดคือมีสติอยู่กับเนื้อกับตัว การมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นเหตุพื้นฐานให้มีการทรงตัวดีรู้สึกมั่นคงมีความรู้สึกไวรับรู้ได้เร็วรับรู้ได้คมชัดจึงช่างสังเกตและสามารถคิดได้อย่างมีความสุขไม่ใช่คิดวกวนจนเป็นทุกข์แบบคนโง่ทีนี้ถามว่าทำอย่างไรจะเกิดคุณสมบัติอันเป็นเครื่องหมายของคนฉลาดเหล่านั้น เรามีสิทธิพิสูจน์คำตรัสของพระพุทธเจ้าก็ตรงนี้วิชาเจริญสติโดยอาศัยกายของท่านมีอยู่คือให้สังเกตความจริงเกี่ยวกับปรากฏการทางกายที่มีให้รับรู้ได้ตลอดเวลาไล่ตั้งแต่ง่ายไปหายากนับแต่ดูความจริงเกี่ยวกับลมหายใจก่อนเห็นชัดแล้วจึงไล่ไปที่ความจริง ของอาการอื่นทางกายเช่นอิรยาบทใหญ่น้อยความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นถ้าทำได้ก็ย่อมเป็นเหตุให้คุณมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วคุณสมบัติอันเป็นเครื่องหมายของคนฉลาดก็จะไหลาตามมาไปเองขอให้ทดลองดูจากบทรู้กายของหนังสือเล่มนี้ถ้าทำเต็มที่ก็อาจพิสูจน์ว่า คนเราฉลาดแหลมคมขึ้นอย่างเอกปุในชาติเดียวได้หรือไม่